สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพรสูตอนที่สามร้อยหสิบเอ็ดเรื่องอยา ก, กรวนกระวายพจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบสองลูกาบทที่สิบสองข้อที่ยี่สิบสองจนถึงข้อที่สาสิบเอ็ดลูกาบทที่สิบสองข้อที่ยีิบสองจนถึงข้อที่สามสิบเอ็ดโปรดฟังพจนะของพระเจ้า พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งหม่มเพราะว่าชีวิตสําคัญยิ่งกว่าอาหารและร่างกายสําคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งหม่มจงพิจารณาดูอีกา่ามันไม่ได้วานไม่ได้เกี่ยวและไม่ได้มียุ่งหรือฉาง แต่พระเจ้ายัางทรงเลี้ยงมันไว้ท่านังหลายประเสริฐกว่านกมากทีเดียวมีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายอาจต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักศอกหนึ่งได้หรือเหตุฉะนั้นถ้าสิ่งเล็กน้อยท่านยังทำไม่ได้ท่านจะ ก, กระวนกระวายถึงสิ่งอื่นทำไมอีกเล่าจงพิจารณาดอกไม้ว่ามันงอกจเจริญขึ้นอย่างไรมันไม่ทางานมันไม่ปานได้ แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่ากาจัตซาโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศีก็ไม่ได้ทรงเครื่องงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่งแม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่างนั้นซึ่งเป็นอยู่วันนี้และรุ่งขึ้นต้องทิ้งในเต่าไฟโอผู้ที่มีความเชื่อน้อยพระองค์จะทรงตกแต่งท่านมากยิ่งกว่านั้นหนาท่านทั้งหลายอย่าเสา ะ, ะ, ะหาว่าจะ กินอะไรดีหรือจะดื่มอะไรและอย่ามีใจกังวลเพราะว่าพวกต่างชาติทั่วโลกสอหาสิ่งทั้งสิ่งของทั้งปวงเหล่านี้แต่ว่าพระบิดาของท่านทั้งหลายทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้แต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้พี่น้องครับ ความกระวนกระวายนั้นอยู่ติดหรือเกาะชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นมนุษย์อยู่ทุกผลทุกแห่งและทุกๆคนไม่ว่าเราจะถือสัญชาติไหนเชื้อชาติไหนเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆไม่ว่าเราจะยากดีมีจนหรือเราจะเป็นคนที่มีความรู้หรือไม่มีความรู้พี่น้องครับความกระวนกระวายเกิดได้กับทุกคนครับในขณะที่ความกระวนกระวายเกิดได้กับทุกคน นะครับพระเยซูสอนให้เราละความกวนกระวายครับนะครับพระเยซูสอนเราอย่ากวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะอะไรกินอะไรดื่มอย่ากวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มนี่คือสองปัจจัยครับก็คืออาหารแล้วก็เครื่องนุ่งห่มนะครับยังมีที่อยู่อาศัยยังมียารักษาโรคซึ่งเป็นสามสี่ปัจจัยครับที่เราจะต้อง ห่วงต่อไปใช่หรือไม่หรือไม่กระทั่งปัจจัยที่ห้าที่หกก็คืออะไรครับรถยนต์หรือปัจจัยต่างๆที่สังคมโลกใส่เข้ามาในชีวิตของเราว่าเราจะต้องดูแลวางแผนนะครับวางแผนแล้วก็อาจจะเป็นห่วงครับกังวลว่าสิ่งต่างๆที่เราวางไว้เราดูแลอยู่เป็นของเรานั้นจะอยู่ตลอดไปหรือเปล่า บางคนอาจจะมีความกระวนกระวายถึงเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์นั้นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่เราจะได้รับความสัมพันธ์บางอย่างนั้นก็ทำให้เราสูญเสียผลประโยชน์ที่จะได้รับนี่คือที่มาของความกระวนกระวายพระเงิมพีพระเยซูได้ทำให้เรารู้จักเลือกสิ่งที่เป็นของสาคัญที่สุด ความโกลก歪ในหลายหลายอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สําคัญที่สุดคือเรื่องกินนะครับเรื่องเครื่องนึ่งหม่มทิ้งต่างเหล่านี้ครับถ้าหากว่าไม่เกี่ยวข้องกับสองเรื่องนี้ให้พิจารณาดูครับพิจารณาดูว่าอะไรครับพิจารณาดูว่าอะไรสําคัญกว่าเช่นชีวิตสําคัญยิ่งกว่าอาหารครับร่างกายสําคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งหม่ม เพราะฉะนั้นเอาชีวิตไว้ก่อนอาหารนะครับเอาร่างกายไว้ก่อนเครื่องรุ่งผมอะไรที่สําคัญที่สุดมาก่อน first thing first นะครับอะไรที่สําคัญที่สุดมาก่อนและเราจะรู้ครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตพระเจ้าได้เตรียมไว้ให้กับเราเรียบร้อยแล้วครับพระเยซูบอกว่าให้เราพิจารณาดูพิจารณาดูอะไรครับอีกาครับอีกามันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวพระเจ้าเลี้ยงมัน มันไม่ได้มียุ่งฉางสะสมของพระเจ้าเลี้ยงมันนะครับคําว่ายุ่งฉางนะครับสะสมของเนี่ยแท้จริงแล้วมาจากบริบทก่อนหน้านั้นคือบริบทเรื่องคําอุมาของเศรษฐีโง่เศรษฐีโง่นั้นที่สะสมมรดกส ะ, สะสมทรัพย์สมบัตินะครับเยอะแยะมากมายมีของฟุ่มเฟือยมากมายไรนาของเขาเกิดผลบริบูรณ์มากเขาก็คิดในใจว่าจะทํำยังไงดีถึงจะมีที่เก็บของขนาดนั้น นะครับเขาก็เลยคิดว่าจะต้องทําโกดังใหม่ครับก็คือรื้อยุ้งฉางเสียและสร้างใหม่ให้ใหญ่โตจะรวบรวมข้าของทรัพย์สมบัติทั้งหมดไว้ที่นั่นนะครับยุ้งฉางเขาหรือโกดังเขาอาจจะหมายถึงธนาคารก็ได้นะครับหรือตู้เซฟที่เก็บโฉนดเยอะแยะมากมายก็ได้นะครับแล้วเขาก็จะพูดกับจิตใจพูดกับตัวเองว่าสบายใจได้แล้วจิตใจเอ้ยเรามีทรัพย์สมบัติมากมายเก็บไว้พอหลายปีอยู่สบายกินดื่มเถอะ พระเจ้าตัดกับเขาไงครับพระเจ้าตัดกับเขาว่าโอ้คนโง่เอ๋ยในชีวิตนี้ในคืนนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องถูกเรียกออกจากเจ้าและของที่เจ้ารวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่าพี่น้องครับนี่คือความกังวลแต่เมื่อความกังวลของคนนะครับก็คือต้องสะสมสะสมสะสมนะครับสะสมมากๆครับพ่อภีบอกว่าท่านทั้งหลายประเสริฐกว่านกครับเพราะว่านกมันไม่ได้สะสมมันก็ยังมีข้าวกินทุก เช้าทุกเย็นเมื่ อ, อไรก็ตามที่มันหิวมันสามารถที่จะลงมาแล้วก็กินหนอนกินผลไม้กินอะไรที่พระเจ้าเตรียมไว้กับเราพี่น้องครับเราเองนั้นก็เหมือนกันครับพระเยซูบอกว่ามีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายอาจต่อชีวิตให้ยาวขึ้นไปอีกสองได้หรือพี่น้องครับให้เรามาเข้าใจว่ า, วาความกระวนกระวายนั้นไม่ได้ช่วยให้มนุษย์ดีขึ้น แต่ช่วยให้มนุษย์แย่ลงแต่ทําให้มนุษย์แย่ลงในขณะเดียวกันครับความไว้วางใจอาจจะดูเหมือนไร้เหตุผลนะครับแต่ช่วยให้มนุษย์ดีขึ้นอันนี้เกิดจากการอะไรครับอ่ะเกิดจากการพิจารณานะครับในข้อที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพระเยซูใช้คําว่าพิจารณาเห็นไหมครับในข้อยี่บสี่พระเยซูใช้คําว่าพิจารณาพี่น้องครับการพิจารณาก็คือการดูสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างการดูธรรมชาติ การรอดชีวิตการอยู่รอดของสัตว์ต่างๆนะครับอีกามันไม่ได้หวานไม่ได้เกี่ยวมันก็อยู่ได้พี่น้องครับจงพิจารณาดูดอกไม้เหมือนกันดอกไม้มันก็ไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็มันไม่ได้ปั่นได้นะครับมันไม่ทํางานมันก็อยู่ได้พี่น้องครับเมื่อเปรียบเทียบว่ากษัตริย์โซโลโมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศีงามเท่ากับดอกไม้นี้หรือเปล่าพระเยซูตอบชัดเจนว่า งามสู้ดอกไม้นี้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าโซโลโมอนทรงเครื่องกษัตริย์นะครับมนุษย์ทําให้แต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ตกแต่งหญ้าในทุ่งนานะครับมันสวยงามจริงๆนะครับดอกไม้ดอกหญ้าในทุ่งยานทุ่ทงานานั้นมันสวยงา ม, ามจริงๆและนี่คือพระเจ้าผู้สร้างครับและแม้กระทั่งดอกไม้นั้นมันอยู่รอดได้วันเดียว วันรุ่งขึ้นจะต้องทิ้งในเตาไฟพระเจ้ายัางแต่งมันถึงขนาด น, นั้นเลยครับพี่น้องครับพระเจ้าจะไม่ตกแต่งเรามากกว่าดอกไม้เหล่านี้หรือชีวิตของเราน่าจะสวยงามมากกว่าดอกไม้นี้ใช่ไหมครับหากว่าเรานั้นมอบชีวิตให้ให้กับพระเยซูในการตกแต่งตกแต่งภายในครับตกแต่งภายในแล้วขึ้นออกมาภายนอกพี่น้องครับพระเยซูสรุปในข้อที่สามสิบสามสิบเอ็ดว่าพวก เพราะว่าพวกต่างชาติทั่วโลกสเสวหแ ส, ส ว, สวงหาสิ่งของทั้งปวงแต่พระบิดาของท่านทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งเหล่านี้พระเจ้าของเรานะครับทราบว่าอะไรคือนิดคือความจําเป็นของเราครับและพระเจ้าประทานให้ถ้าเราแสวงหาแผ่นดินของพระองค์ก่อนพี่น้องครับในข้อสามสิบเอ็ดนั้นถือว่าเป็นคําสัญญาครับแต่ถ้าทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้ ่ครับโปรดฟังอีกครั้งครับแต่ท่านหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้ให้อาเน